ยี่สิบก้าสามสปลายเดือนเนี่ย <c oughs> มกราเนี่ยงานกบรอกลุงตาด้วยขายข้าวด้วย <c oughs> กบรอบวันมรณภาพของลุงตาวันที่30มสิบยีิบก้าสามสิบมีมีงานที่บรราดา ปว่ายข้าวด้วยนัดรอบดวงตาด้วยกําลังรวบรวม <c oughs> ปัจจัยร่วมสร้างเจดีย์ดวงตาด้วย <c oughs> รวบรวมปัจจัยร่วมสร้างเจดีย์ดวงตาด้วยนี่ได้เก่าพันแล้วเนี่ย เฮ้ยโอ้เกานี่ดอกบัวดอ้โอ้ดอกบัวโผลหลายดอกเด้นี่อยู่หน้าวัดนนี่ฮะเป็นร้อยดอกนะเฮ้โตหอยใหญ่ปรบธรรมดาตัวนี้ตอตอตอตอฮะตอตอตอสามตอคุ้นดอกบัว โปรยหน้าวัดเนอดอกบัวโอ้หลายดอกแล้วว่าจะใส่จนถึงมุมมาแหละฮะไม่มีใครเอาลราเอาคนเดียวหมดแล้วฮะเอาแค่นั้นแหละเอาลงห้วยแค่นั้นกับมอสแอค่นั้นแหละเออหมดแล้วลงห้วยแค่นั้นแหละเออ เอาไปล้อมคนหมดทั้งวันนี้มันล้อมไม่ไหวดอก เกมอโอ้ยนี่พูดพูดถึงตั้งแต่สมั ย, ยดึกดำบรรพ์ตัวนี้เอะเอะตั้งแต่สมัยเรียน ง, ง้คนะอคนน่ะโตธรรมดาตัวนี้สมัยเลียน ง, ง้วอยู่อยู่พูดนี่บ้านตาดบ้านตาดยิบเก้าสามสิบวันนี้เท่าไรยิบเจ็ดแล้ววันนี้วันนี้ยิบเจ็ดแล้ว ยี่สิบแปดยิบเก้ายี่บแปดยิบเก้าแล้วก็ปลาทายข้าวเลยนะฮะใครไปร่วมสร้างเจดีย์หลวงตาเข้าเปลือกกเจดีย์เอาบุญจากข้าวน้าพักน้ําแรงเลยปทายข้าวนู่นทั้งน้องแซงเนะนีนะ่ยโคน้องแซงบอกกันเด้้คน้องแซงบอกกันปลาทายข้าวเรามีทุกปี เรมีทุกปีวันที่ยี่สิบแปดเนี่ยยี่สิบแปดเนี่ยก็จะไปบอกกันละไปไประชาสัมพันธ์กันแล้วยังไม่รู้เนี่ยอะไปถ่ายข้าทําทุกปีไปร่วมสร้างเจดีย์กับน้องตาเจดีย์ใหญ่ขึ้นอะเด้เสร็จ <c oughs> แล้ววันที่สามสิบะก็ตอกเข็มด้วยไปร่วมตอกเข็มเลย ประวัพิธีตอกเข็มเสาเข็มเจดีย์หลวงตาที่บัรตาเน่หนิที่บรรดาเน้เพราะเป็นมองอื่นเนี่ยที่บัรตาที่วัดหลวงตาเนี่ยวันที่สามสิบมีพิธีเจาะตอกเข็มด้วยเตอกเข็มหรือเจาะเข็มนะเรากา็ไม่ได้รู้เจาะเข็มเทเข็มหรือเปล่าก็าไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้ไปดู เข้าเปลือกข้าเปลือกเขาไปหารวบรวมตั้งแต่วันวันพวกนี้อ่ะยีิบแปดยิบแปดยิบเก้าเอาไปย8ิบแปดไปรวบรวมเตรียมไว้เด้ออะใครอยากได้บุญด้วยน้ำพักน้ำแรงเข้าเปลือกโบราณท่านถื อ, อยูบันตาในลุงตาลุงตาว่าเขาทำมาประจำตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยนะบรนตาเนี่ยพอข้าวใหม่ปั๊บ เขาทำบุญทำบุญข้าวเปลือกทำบุญพลาทัยข้าวโบราณกันถือว่าเอาผลประโยชน์จากน้ำพักน้ำแรงของเราเนี่ยแหละไปทำบุญไม่มีมีเงินมีทองมีข้าวของที่มีนั่นแหละเอาไปทำบุญข้าวข้าวถือว่าเป็นน้ำพักน้ำแรงที่บริสุทธิ์เด้เพราะฉะนั้นเขาถือเขาถือว่าใครใครลักใครลักข้าวใครขโมยข้าว ไข่กงข้าวก็ถือว่าคำหนักเี่ว่ามันเป็นผลจากน้ำพักน้ำแรงที่เขาทาเอาโดยทำน้ำพักน้ำแรงแท้โบราณเราเกินมาเราอาศัยข้าวมีชีวิตเป็นอยู่มีข้าวเป็นพื้นโบราณท่านถือใข่ขโมยข้าวไครลักข้าวไข่กงข้าวเนี่ยต้นห น, ตนหนักต้นหนักทีนี้เราทําบุญกับข้าวเนี่ย อ่าแล้วก็มีคุณหนักเหมือนกันแหละเราถ้าทำบุญกับข้าวก็มีคุณหนักเนี่ยวันพรุ่งนี้รวบรวมเละวันพรุ่งนี้เดี๋ยวพวกเราได้ไปช่วยรวบรวมกันแหละแกอย่างไงก็แล้วแต่และเดี๋ยวนี้พวกเราสบายสบายจนจะตายแล้วเดี๋ยวนี้ยชาวนามีข้าวอยู่ในยุง้งอ่าลงสีก็ไปเดิน ขนเอาเองตามย้งเลยแหละไปสีให้สีให้แล้วมาส่งพร้อม <laughs> ไปสีให้แล้วมาส่งพร้อมสบายและทุกวันนี่ฮะคือสบายสบายเลยฮะ <im itation> เขาเปลือก <im itation> เขาเปลือก <im itation> เขาไม่อยากเปลืองอะไร <im itation> เขาก็เอาเอาไปเก็บไว้เป็นกระสอบกสอบเลย <im itation> คนไปนขายก็ยกขึ้นเป็นกระสอบกสอบเนี่ยตำบุนประธายข้าวเนี่ย บางทีก็ตักเอาบางทีก็ไปค้นเป็นกสศกศบ อ, อบเกียดไอเกียดเขาว่าเกียดพาหมูไปเอาใครมีเวลาก็ไปช่วยกันงานปฐายข้าวทายข้าวคือตําบุญข้าวเอาไปรวมถวายที่วัดคือว่าเป็นน้ําพักน้ําแรงอะไรก็คือความดีท่านนั่นแหละและ้วก็บครลรอบน้องตาเราก็าไประลึกบุญระลึกคุณท่าน หลวงตาท่านมรณภาพตีห้าห้าสิบสามนาทนีวันที่สามสิบนะคืนวันที่สามสิบเนี่ยตีห้าตีห้าก็ถือว่าวันที่สามสิบแล้วเนี่ตีห้าห้าสิบสามนาทีหลวงตาทานมรณภาพวันนั้นเราก็ได้อยู่ในห้องนะดูท่านจนเวลาสุดท้ายนั่งเต็มอยู่ในห้องนะ นั่งอยู่ในห้องเต็ ม, มหมอเขาเขาก็รู้เขาก็พาพาเรานั่งดูนั่นแหละพระเนงค์ก็นั่งล้อมเต็มเ ข, เขาก็ดูเขาก็ดูแต่ทีวีจอนั่นแหละหัวใจเต้นเต้นจากเต้นปกติห้าสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบรถไปเรื่อยรับไปเรืเ่อยรับรรั ด, ด, ด, ด, ดจนถึงศูนย์นั่นแหะถึงศูนย์แล้วเครื่องมันก็ร้อมอ๊อปอ๊อปอ๊อป แต่ไอ้ไอปั๊มเข้าปากนี uh, ่อ่าหัวใจหยุดเต้นแล้วมันไปยังทำให้มันอยู่หัวใจหยุดเต้นแล้วเนี่ยลมขเขาไปยังปั๊มเข้าปั๊มออกมันทํำยังทำหมอกเขาเอาออกทันทีหัวใจหยุดเต้นเขาก็เอาออกมันท้องมีเครื่องบอกเขาก็เอาออกทันทีว่าหญิงกำลังอยู่ในนั้นเด้ ท่นรอจนเวลาสุดท้ายเด้ท่านนี้บังสกุลก่อนหมูเลยเดย้เออมันเก่งเลยเด้ไปหยิงนะยืนในห้องนั่งดูนั่นแหละไอ้บางสกุลก่อนหมูเลยแหละในวันครบรอบเราก็ระลึกพ่เป็นอนุสร์เรถึงบุญถึงคุณของท่านถ้าจะว่าไปวัดนี้ก็คือมูลมรดกของท่านเนี่ยวัดเนี่ย กูท้าวราซื้อที่สามสิบไร่ถวาวาท่านเราเมื่อก่อนเราก็อยู่ช่วยบุกเบอิอประชาบรใจัยอยู่นู่นกูสองโคสามปีอยู่ด้วยกันน้องตาก็เลยเขียมานี้เขียมานี้ตั้งแต่ปอกแรกจนเดี๋ยวนี้น่ะย2ี่สบสองปีแล้วนี่นตาก็ล่วงไปตั้งแต่ปีห้าสี่น้อ ห5 5สี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกูนมันเข้าหกูนแล้วเนี่ยห้าหกเจ็ดปีแล้วนี่เราก็มาอยู่มาอยู่นี่ตั้งแต่สามแปดนู่นนี่ผู้เฒ่ารุ่นนี้เลยสมบุกเบิเ่มตูวป่านู่นตูขอตูว่างนู่นตูออนไปหมดแล้วนี่พไงซ้อยจอเนี่ยตูหลายเนี่ย เพระการขนกล้าไม้ปลูกเต็มไปหมดนะปลูกตั้งแต่ต้นฤดูฝนปีสามแปดจนถึงเดือนตุลานะรู้จนถึงเดือนตุลาไถปลูกไถปลูกไถ่ปลูกจนดในี่ไม้ละตัวหมดเท่าเสาก็มีใหญ่เท่ากับเส้นฝ่าสุกกลางห้าสิบเซนก็มีอยู่ในครัวไม้สักใหญ่ขณะนี้ก็มีหายไปแล้วก็มีมันตโตโพดมันเลยหายไม้สัก มันหายตัวพวกเราก็พัฒนากันมาจนเดี๋ยวนี้สามยี่สิบสองพันษาลนลยี่สิบสองพันษาเรามุงหลังคาหลังคาเขาเรารั่วไปรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวนี้เราแก้หลังคา น, นั่นเนี่ยแก้มาสองสามปีแล้วแก้ยังไม่หมดในครัวก็ยังไม่หมดทะลุไป ดูโรงครัวคุวณธรรมราล์กุนไปหมดตอนนี้ก็โรงครัวใหญ่นั่นนะกําลังปรับไปขึ้นใหม่หลังหนึ่งแล้วก็ไปยกขึ้นให้สูงซ่อมเปลี่ยนหลังคาเป็นกระเบื้องเอาโครงไม้มีโครงไม้โครงเหล็กปนกันแหละตอนนี้นัน่นแหะกําลังทําโครงอยู่นั่นนะจะมุมงกระเบื้องกระเบื้องไหรา พื้นห้องเพื่นเ้องอะไรจะปรับใหม่ห้องห้องที่รื้อออกนันก็จะเอาออกแต่ห้องเก่าที่เป็นห้องปูนนั้นก็จะเอาไว้จะทาให้มันโลง่ลงกว่าเดิมยกขึ้นอีกเม็ดสิบเซนใชค้คาสูงกว่าเดิมเม็ดสิบเซนทำให้โปร่งขึ้นลังคาเป็นสองพักมีช่องระ บ, บายข้างบนมีช่องระ บ, บายข้างบน เหมือนอย่างที่เราเห็นนั่นแหละแต่อันนี้มันขึ้นสูงโพดขึ้นหลังคาชั้นบนสูงโพดไอ้ตัวชั้นเก่านี่เราเอาแค่หนึ่งเมตรข้างในข้างบนก็มีช่องลมระบายแล้วก็หลังใหม่นี่ก็เป็นที่สำหรับนั่งภาวนาได้ใช้สอยประโยชน์อย่างอื่นได้เขาไปแต่งก็ขัดอย่างนี้แทบไม่กล้าขึ้นไปนั่งกินข้าวกละไปเบื้องเอา <laughs> เอออ่าสิบห้าคูณสิบห้าฟื้นมันอ่ะสิบห้าเมตรสิบห้าเมตรอันเก่าเท่าเดิมไม่ได้เพิ่มแต่ทาหลังคาให้เป็นราคาเดียวเมื่อก่อ น, นหลังคาสองสองพักหลังคาสองหลังหลังทิศเหนือกับหลังทิศใต้รู้ว่าตรงรางน้ําตลอดฝนตกที่ไรก็ชุ่มแฉฝนตกที่ไรก็ชุ่มแฉนี่เราจะทําหลังคา ย, ยาวตระเดไปทางเหนือสุดเลย เป็นลังคาเดียวกันโอ้อีก2อสาเบือเสรียหรือเปล่าก็ไม่รู้งานอยู่สูงมันขึ้นมันทํายากเหมือนอย่างตัวที่เสรียไปเนี่ยเสียยากมันขึ้นสูงวันหนึ่งขึ้นกรไดสองสามชิ้นงานอยู่สูงเพื่อประโยชน์ของาศาสนาเพื่อประโยชน์ของหัวใจ ของพระวะสุอบาสิกามาสายวัดได้ใช้ได้สอยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกื้อกูลมาที่หัวใจของเราหัวใจเราไม่สนใจไม่ดูแลไม่ได้นะไปเอาหัวใจดิบดีไปสนใจแต่อย่างอื่นออกนอกลู่นอ ก, ก, นอกทางไปยิ่งเสียหายธรรมาคินเพื่อเลี้ยงชีพนี่ยังถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นเรื่องบางอย่างบางเรื่องไม่จำเป็นเลย เอชีวิตของเราไปทิ้งไปโยนทิ้งทิ้งเฉยๆซื่อเรื่องาศาสนาเป็นเรื่องบำรุงหัวใจนี่บัญญาบำรุงหัวใจบำรุงจิตใจอทุกอย่างล้อมรวมมาที่นี่หมดทานก็มาอยู่ที่นี่ศีล ส, สมาธิปัญญาอยู่ที่นี่หมดอยู่ที่ศาสนาเนี่ย <c oughs> ศาสนาจะมีประโยชน์ต่อเมื่อเราเอามาถือตามพระพฤติตามปฏิบัติตาม มีอยู่ประดับบ้านประดับเมืองเฉยๆไม่มาถือไม่ไ ม, ไม่ไม่เอามาถือมาปฏิบัติทําให้ศาสนาเป็นหมันศาสนาไม่มีวันเสื่อมเพราะหลักของศาสนาธรรมเนี่ยจะเสื่อมได้เฉพาะวัฒนธรรมหรืออารยาธรรมที่เราเรียกเรียกกันพัฒนธรรมหรืออารยธรรมแต่หลักสัจธรรมซึ่งเป็นต้นต่อดั้งเดิมของพระศาสนาเนี่ยไม่มีวันเสื่อมเพราะอะไร เพราะหลักธรรมชาติอันนี้จังทุกข์งอนัตตาอันนี้คือหลักต้นตอดั้งเดิมของพศาสนาพระพุทธเจ้าท่านทรงบัติมาเพื่อจะมารื้มฟื้นคนให้เห็นสิ่งเหล่านี้มีอยู่ประจำโลกแต่ไม่มีใครรู้ใครเห็นหลงเพลินยึดถืออยู่อย่างนั้นแหละเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เด้ยเหตุใ ด, ไ, ดไม่รู้จักด้วยเหตุใดเกิดแก่เจ็บตายไม่รู้จักถ้าไม่มียุคเราสมัยเราถ้าไม่มีเจ้าชายสทธะ มาเรื่มมาฟื้นก็ไม่มีใครเอาสิ่งเหล่านี้มาเปิดเผยอันนี้จังทุกขั้งนักตาอันนี้จังทุกครั้งคนรู้จักเยอะแต่นักตาไม่รู้จักบาที่เห็นทุกเห็นโทษอยู่แต่ไม่รู้จักทางออกเหมือนอย่างที่เราเคยเคยศึกษาแล้ ว, ว่าผู้เจริญฌานผู้เจริญฌานที่เบื่อหน่ายในรูปพยายามจะหลบหลีกรูปตายแล้วไปเกิดใน ในในในอารูปภพไม่มีรูปมีแต่นามเบื่อหน่ายในรูปนั่นพอเวลาไปเกิดอีกไม่เกิดเป็นรูปมีแต่นามมีแต่เวทน า, น า, นาสัญญาสังขารวิญญาณเขาเรียกว่าอารูปภพนี่เพราะอะไรเพราะเจริญฌานถึงขีดสูงสุดเบื่อหน่ายในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่เบื่อหน่ายไม่ใช่ไม่ได้เห็นอันิี้อย่างทุกขังนาตาว่ามันเป็นทุก มันเป็นเหตุให้รู้ให้ น, ใหนู่นให้นี้ให้ทุกข์ใหไรรู้อ น, นิจจังรู้ทุกขงังจะไม่รู้เรื่องอนัตตาไม่รู้เรื่องอนัตตาบางคนก็ไปเกิดเป็นเนขาเรียกว่าเกิดสอาการเนี่ยอ่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาตสี่อาการเขาเรียกว่าจตุกโภกา ร, า ร, กาการแล้วก็บางบางพวกก็ไปเกิดในเอกโวการอันนี้เบื่อห น, น่ายในในนามอ่ะ น, นี่ เขาบือนนายในานา้าเห็นอนิจจังทุกขังแต่ไม่เห็นอนัตตาตายแล้วไปเกิดเป็นพรหม น, นูพรหมเขาเรียกพรห ม, รมอสัญญีสัตตาอสัญญีสัตตาเขาเรียกพรหมลูกฟักมีแต่รูปไม่มีนามเนี่ยมันไปจากเหตุทั้งนั้นเลยแหละหาช่องออกไม่ได้บุตรเจ้าของเราเห็นอนิจจังทุกคังอนัตตาทะลุไปเลยทิ้งไปหมดเราดูแต่อาจารย์ของท่าน่ะอุทกดาบุรลาหดาบุ ได้ความสงบแนบแน่นถึงขีดสูงสุดรู ป, ปรสมาบติอารูปปัสมะบติก็อมยึดอยู่อย่างนั้นแหละพวงสวยสุขอยู่กับความสงบของพรหมนั่นแหละปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่ได้ไม่มีวิชาปล่อยไม่รู้ทางปล่อยไม่มีบุญบารมีที่จะปล่อยเพราะไม่ได้สั่ ง, ส, งสมอบ ร, รมมาไม่มีก็ยึดอยู่อย่างนั้นแหละตายแล้วไปเกิดนุ่นอุ้ยอรมูปพรหมนะ่ะ เกิดในโถงๆนุ่นออกไม่ได้กุฏิเจ้าของเราออกได้เห็นอานิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาพระองค์ก็เลยเอาอนิจนาานนจังทุกขังอนัตตาอานิจจังทุกขังอนัตตามันมีอยู่ไปจํากองสังขารสังขารอยู่ในกายเราสังขารอยู่นอกกายเราสังขารรอบรอบข้างตัวเราโลกนี้ทั้งหมดคือกองสังขารแต่ว่าเราศึกษาท่านให้ศึกษา ย, ย่นย่อมาที่กายของเรารูปประสังขาร คือส <Wars>. wow. ่นสิ just, so drugs, ่งปรุงสิ่งประกอบน้ำสังขารคือจิตจิตก็มีสิ่งปรุงสิ่งประกอบกิเลสนั่นแหละมันเป็นประกอบที่จิตเป็นสิ่งปรุงสิ่งประกอบของสังขารเหล่านี้แหละมีกิริยาสามอย่างลักษณะสมอย่างอันนี้จำทุกขั้งนัตตาไม่ไม่คงทนเปลี่ยนไปไม่คงทนเปลี่ยนไปเราเห็นว่ามีอะไรอยู่เท่าเดิมไม่มีเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแต่ว่าตัณหาที่มันแทรกมันเคยยึด ถือเลยทั้ความสะดกสบายมันอยากเกณฑ์ให้เป็นนิดจังมันอยากให้เป็นสุขขันมันไม่อยากให้เปลี่ยนไปมันอยากให้เป็นอยู่อย่างนั้นเหมือนอย่างเราถึงฐานะที่ทุกสบายสุขอารมณ์ที่สุดเราอยากให้มีอารมณ์เหล่านี้ อ, อยู่อย่างนี้ไปกี่กับกี่การเราอยากแช่ชุ่มแปร อ, อยู่อย่างนี้แหละเราไม่ยอมเปลี่ยนไปนี่คืออํานาจของความชอบใจอํานาจของตันหาสิ่งเหล่านี้แทรกมาพร้อมกับมี รูปธรรมมีนามธรรมแล้วก็มายึดถื อ, อ, อกันของมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแล้วก็มายึดมาถึงมาเกาะมาสิ่งมาเกาะสิ่งแล้วนี่แหละปล่อยไม่ได้ลางไม่ได้ถ้าวางแล้วเอ๊ะวางแล้วจะได้ไรมาเสพสุขมาสวยสุขไม่กล้าปล่อยผูที่เจ้าทัานเรียนจบในระยะเวลาที่สั้นอาจารย์บอกว่าจบแล้วเรียนจบแล้ว ปัญหาที่พระองค์แก้คือกองทุกในหัวใจแก้ไม่ได้กองเต็มแปรอยู่ในหัวใจกองทุกทุกห่วงใยทุกวิตกทุกกังวลทุกสารพัดในหัวใจหมออย่างเอ๊ะท่านบอกไปจบแล้วแต่ทำไมกองทุกยังกองอยู่เต็มหัวใจไม่ใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นพระองค์จึงออกจากอาจารย์ทั้งสองไปบปําเพ็ญโดยลําพังไปบปําเพ็ญโดยลําพังก็จิตท่านสงบอยู่แล้ว ตั้งพิจารณาอะไรมันก็จาะละเอียดอยู่นั้นเป็นตะปะแผดเผาตะปะทำที่โอตะปะสติสัมปชัญญะสติปัญญาสมาธิตลอมล้อมรวมเป็นอันเดียวกันหมดแผดเผาไอ้เป็นตะปะทำอยู่ตัณหาที่มันเคยแสดงทิด็ิออกมามันแสดงออกมาไม่ได้โดยเฉพาะรูปปัสมบัตรรู ป, ปรสมบัติมันก็แสดงออกมาไม่ได้อยู่แล้วแต่เขาเทียบเหมือนกับหินทับหญ้าระบายที่หมด หมดระยะหมดการหมดเวลาก็เสื่อมแต่พระองค์พิจารณาใช้ปัญญาพิจารณาเห็นทุกเห็นโทษเห็นรากเหง้าต้นตอนลึกเข้าไปอีกจนเห็นเห็นกิริยาการที่น่าเบื่อหน่ า, นายเอ้ต้องการนี่มันเที่ยงมันก็ไม่เที่ยงต้องการให้มันอยู่เท่าเดิมมันก็ไม่อยู่เท่าเดิมถ้าเราบอกให้มันอยู่เท่าเดิมได้แต่ความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็น ต, น, ตมนมันมีอยู่ ถ้ า, ามันเป็นตัวเป็นตนจิงทําไมเราบอกไม่ได้ด้วยเหตุที่เราบอกไม่ได้นี่แหละนี่แหละคืออนัตตาเรา บ, บอกไม่ได้ปล่อยหมดเลยไม่ยึดเลยปป ท, ท, ท, ทั้งรูปปิชาณารูปปิชาณทรูปปัสมะบาทอรูปปัสมะบาททั้งรูปธรรมทั้งารูปธรรมปล่อยทิ้งหมดเลยกลายเป็นว่ารุดไปได้พ้นไปได้เล็ดรอดไปได้พ้นทุกข์พ้นทษไปได้หมดเพราะบุชาติเพราะหมดความยึด ความยึส่วนละเอียดนั่นแหะไปยึดส่วนสิ่งเหล่านั้นนหะปล่อยทั้งทั้งหยาบทั้งละเอียดปล่อยจนหมดสิ้นผลทุก ผ, ผลโทษไปได้หมดอุปาทานคือตัณหาตัวสมุดไทยหมดพบหมดชาติที่เราจะต้องไปเกิดในพบไม่มีหมดตัณหาหมดอุปาทานหมดพบหมดชาติมันไม่มีตัวตนที่จะไปปรากฏที่ไหนไหนแล้วจะเอาอะไรมาแกม่มาเจ็บมาตายไม่มี เราเข้าถึงประมังสุขังนี่นไม่มีพบและไม่มีที่เกิดไม่ต้องไปเกิดแต่ว่าผู้รู้นั้นะ่ะบริสุดเพราะชะล้างหมดจดแ ล, แล้วก็ยืดยาวยืนยาวอยู่อย่างนั้นดำรงตอนอยู่อย่างนั้นตลอดอนานานตนกาลนี่พระพุทธเจ้าท่านเอาสิ่งเหล่านี้มาบอกมาสอนพวกเรามาตั้งรกรากเป็นพุทธบริษัทภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา มีสถานที่นัดแนะรวมกันคือวัดพายุฝึกฝนพายุบําเพ็ญพายุอบรมพายุบําเพ็ญวางรกวางรากให้มีศินห้าให้มีศิลแปดสินสิบสินสองยี่สิบเจดพระสงฆ์พิจารระสงฆ์ศินสามอสิบเ็ดภิกษุณีสินสมรสิบเอ็ดภิกษุณีเรื่องเพศเอยเรื่องศินเอ่ยนี่บางทีมันช่วยเสริมให้เราได้กํำลังใจเช่นอย่าง แล้วอยู่ถือขาวถือดำเนี่ยบางคนก็มีกําลังใจอย่างนี้แล้วก็อยู่บางคนก็มักขาวมาถือขาวถือศินแปดเนี่ยเรื่องเพศเรื่องสินมันช่วยเพิ่มกําลังใจไปศินสิไปศิี่สิบเจ็ 7, มันได้กําลังใจมันได้เพศเพศที่สูงขึ้นที่ดีขึ้นมันได้กําลังใจผู้หญิงก็สินสองร้อิเนี่ยพิกโนนีเนี่ยได้ศินได้เพศ ได้กำลังใจจากศีลได้กำลังใจจากเพศแต่ถ้าจะตั้งใจให้ปฏิบัติให้เห็นอันนีจังทุกข์ังอนัตตาเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนแค่ถือศีลให้บริสุทธิ์แล้วก็ทำใจให้สงบเอาใจที่สงบมาพิจารณาเกิดปัญญาแค่นี้ก็สามารถพ้นทุกข์นโทษไปได้แต่ด้วยเหตุที่ความชอบใจถ้าก็ปรับมาตามสภาพและเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่เช่นอย่างมาถือศีล8ดมาถือศีลสิ สัมเนียนเป็นพระเป็นภิกษุณีเป็นภิกษุภิกษุณีเนีย่ยเป็นสัมเนียสัมเนียก็มีอาชีพปรับเป็นอาชีพใหม่อ่าคือพวกนี้เป็นพวกที่เป็นช้างเท้าหน้าอ่าอุบาสกอุบาสิกานะเป็นช้างเท้าหลังว่างั้นเถอะอ่าอาศัยปัจใจสี่จากอุบาสกอุบาสิกาอันนี้ตั้งออกตั้งใจศึกษาประพฤติจริงปฏิบัติจริงเพื่อมรักเพื่อผลเพื่อเห็น ท, ทุกเห็นโทษตามหลัก เพื่อความพ้นทุกข์ให้พ้นทุกข์พ้นทดตามพระองค์ไปอันนี้เป็นอีกอเนหนึ่แต่ว่าภิกษุไอ้สมมเณรสมเณรีสามเณรสามเณรีมันขาดช่วงไปแล้วโดยวินัยโดยระบบระบอบที่ผู้ิจะรณทรงบัญญัติไว้หมดไปแล้วแต่เดี๋ยวนี้เขาสมมติให้มีใหม่มีสมมเณรมีมีมีพวกมีภิกษุณีมีสามเณรี มีภิกษุณีมีสมมเมนรีนี่พวกเราพวกเราอยู่เมืองไทยเราไปอ่านหนังสือนั่นเล่มหนึ่งบางคนก็พูดว่าเขาต้องการถือศีลสิบต้องการถือถือศีลสิบมั้งเนี่ยเนะี่ย <c oughs> ไม่ไม่ไม่ชาผู้ชายเป็นผู้หญิงแต่ต้องการถือศีลสิบถือศีลสิบก็คือนั่นแหละอ่ะนานาจิกีมาลาอุอจจรชาตรูพระเจตะกนะ ชาตรูปราชตะเท่ากับถือศีลแปดถือศีลแปดศีลแปดก็เท่ากับศีลเก้าของสมณีนนัจคีมาลาบอกเข้าไปด้วยที่ขยับจากนักจคีมาลาไปเป็นอุจจาสยนะมหายายนา ที่นั่งที่นอนสูงใหญ่แล้วก็ชาตตรูปอรรจัตะเนี่ยเราว่าโอ้ยเราอยู่ครองเรือนเราไม่ถือสินสิบมันสบายพอดแล้วไม่ต้องทำมากินไม่ต้องไปจ่ายสลัดไม่ต้องถึงเงินถือทองมีมีคนตั้งใจทําำมีคนตั้งใจทํานี่เขามาเขียนหนังสือนะตั้งใจปฏิบัติเคร่งครัดเพราะรักสินรักธรรมรักธรรมปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าท่านบอกท่านสอน นี่พระพุทธศาสนามีประโยชน์สำหรับพวกเราถ้าพวกเราไม่สนใจพระพุทธศาสนาก็เป็นหมันแต่พระุทธศาสนาไม่สูญไปจากโลกเพราะหลักของพระุทธศาสนานั้นคืออนิจจังทุกขังนับตามันเป็นลักษณะที่มีมาประจําวัตถุสังขารจะเป็นโลกนี้โลกไหนโลกกี่โลกกี่กีโกก่โกดแสนโลกกาธาตุก็ตามอานิจจังทุกขังนับตาแทรกไปทั้งนั้นหละ นิจจ์ทุกข์งอนัตตาแทกไปธรรมะของพระพุทธเจ้าแทกไปแทกไปลักษณะนี้แหละแทกไปหมดโลกธาตุนี่แหละนิจจ์ทุกข์งอนัตตานี่ศาสนาพวกเรารู้อยู่ได้ยินได้ฟังอยู่บำรุงอยู่ดูแลอยู่รักษาอยู่ถ้ า, าเราไม่พยายามดึงดูดคุณสมบัติเหล่านี้เข้าสู่หัวใจของเราก็เหมือนหมดแดงฟองม่วนวันดีคืนดีลมมากับหล่นตก เจ้าของที่เฝ้าอยู่ก็เก้อเขินเลยอยู่มาอยู่มามีคนมาต่อยเอาไปกินจ้อยเนี่ยเจ้าของก็เก้อเกอยู่นั่นแหละแท้ที่จริงก็คือไม่เกิดประโยชน์แต่อย่าลืมว่าจิตใจของเราถ้าเราไม่พัฒนาในทารสินค้ำเนี่ยกิเลสมันก็พัฒนาของมันอันนี้สําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเราไม่ลืมลืมไม่ได้ทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาเรื่องทานเป็นเรื่องพื้นๆสละของภายนอกตัวเราได้ ที่จะสละเอวัยวะภายในสละชีวิตเหมือนอย่างพระพุทธเจา้าท่านสร้างบารมีแลยมีน้อยแต่ทานธรรมดาธรรมดานี่เราตัอ้ง อ, อกตั้งใจทานเสียสละของที่มีค่าที่สุดเสียงขอบเสียสละของนอกกายเพื่อที่จะล่า ม, มาล้อมรวมมาเสียสละของคืออภาพร่างกายแท้ที่จริงาศาสนาธรรมที่พงตั้งใจให้ตั้งใจปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติเพื่อละขันธ์ทั้งห้าละร่างกาย ละเวทนาละสัญญาละสการละวิญญาณอยู่กับจิตที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวละยึดมั่นถือมั่นโดยอุปาทานแยกแล้วอยู่กับจิตที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวนี่ศาสนธรรมของพระเจ้าถ้าเรามาฟังแบบพื้นๆแบบชาวโลกธรรมดาธรรมดาเราก็เหมือนว่าโอ้เราไม่อยากได้เราไม่อยากไปโอ้ไอไม่เกิดมันยังไงกลัวไม่อยากไป แต่แท้ที่จริงก็คือความทุกข์เรามาดูความทุกข์หนหัวใจของเราเวลามันเกิดขึ้นมันมีขึ้นมันน่าชื่นชมยินดีมันอิ่มมันกระยิบแต่เวลาความทุกข์มาแทรกหนวยใจแป๊บเดียวเด้ออยู่ไปอยู่มาอยู่มาอโอ้ยอันนั้นมาเกาะแล้วอยู่ไปอยู่มาอันนี้มาเกาะแล้วมาเร่งมาเกาะแล้วบาหวานมาเกาะแล้วหัวใจมาเกาะแล้วโอ้ทุกเกาะแป๊บเดียวทุกหลด ตัวเองก็ทุกคนเกี่ยวข้องกับทุกทุกไปทำตามกันเนี่ยเราต้องการละความทุกข์เหล่านี้ที่เราตั้งอกตั้งใจทําเราไม่ไม่หวังอะไรเราหวังละปล่อยปละละวางความทุกข์ที่เราไม่ชอบเนี่ยให้มันหมดไปแต่เราไม่ชอบแลว้วก็หนีเราไม่ชอบแลว้วก็หนีอันนั้นเป็นความไม่ชอบของตัณหาเหมือนผัวเมียที่อยู่ด้วยกันอยู่ไปอยู่ไปอยู่มาแล้วก็เบื่อกันเบื่อกันแล้วก็หนีกันนี่ยนี่เพราะอนาตัณหา หนีหนีคนนี้ไปเอาคนนั้นน่ะหนีรายนี้ไปเอารายนั้นแบบนี้มันไม่ใช่ละตันหามันไม่ใช่ละตันหาเขาเรียกว่านายแล้วก็หนีไม่ใช่เบื่อนายแล้วก็คลายแล้วก็จางแล้วก็วิมุตแล้วก็หลุดแล้วก็พ้นอันนี้อันนั้นเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าทําให้ถูกต้องอันนั้นคือทางออกเป็นช่องออกเป็นทางออกอืม วันนี้ก็เป็นพระเป็นวันพระใหญ่นะวันเนี้ยมันเป็นวันดับเดือนสองแป๊บเดียวดับเดือนยี่เดือนอ้ายเดือนยี่เนี่ยดับไปแล้วออวันพูุนี้ขึ้นเดือนสามแล้วแป๊บเดียวอายุร่วมการผ่านไปแป๊บเดียวแป๊บเดีย ว, ป, ย ว, ป, ยวปีหนึ่งปีหนึ่งถ้าพวเรามัวแต่ประมาทนิ่งนอนใจไม่ทําอะไรชีวิตไม่ก้าวหน้ามันไม่ใช่อยู่เฉยๆนะเราไม่ดึงไปข้างหน้ามันขยับถอยหลังของมันนะ เหมือนเรารั้งอะไรที่มันอยู่บนในที่ชันๆ น, นั่นแนะที่เราพยุงล้อไว้เนี่ยยอนภาพมันก็ไหยอนภาพมันไหลย้อนภามันไหลไหลไหลถ้าเราอยากให้มันสูงขึ้นจะมีแต่ดึงขึ้นดึงขึ้นดึงขึ้นหัวใจของเราเช่นเดียวกันกิเลสมันเป็นกระแสต่ำที่ดึงเราชักเราลากลงเราลงพวกเราไม่ประมาทไม่นิ่งนอนใจปาันตับตัวแเ้วนะเอาให้พร้อม